ท่านผู้ฟังครับสรรพคุณของสมุนไพรข่าวตองส่วนตำรับที่ทีมงานผมได้ทำการศึกษาวิจัยมากว่าสิบปีนั้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นผลจากสารที่ชื่อเวตากลูคนสารนี้เป็นสารประเภทน้ำตาลเชิงซ้อนที่มีสายโมเลกุลค่อนข้างยาว และเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของผนังเซลล์ยีสต์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักส่วนไพร์คาวตองสารเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติไปกระตุ้นไขกระดูกที่อยู่ในกระดูกเช่นไขกระดูกที่ไหปลาลาไขกระดูกกระโหลกศีรษะไขกระดูกสะบักซึ่งจะเห็นว่าเป็นกระดูกที่มีโครงสร้างแบนๆให้สร้างและปลดปล่อยสเตมเซลล์ออกมาไหลเวียนในกระแสเลือดมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเรากินข้าวตองดังกล่าวนี้เข้าไปสารเบต้ากลูกแคนที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผงหรือน้ําข้าวตองจะไหลลงไปตามทางเดิอนอาหารไปเรื่อยๆตามการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบของลําไส้ตลอดทางเดิอนอาหารโดยเฉพาะในผนังลําไส้กลุ่มเซลล์ที่รวมตัวเป็นหน่วยผลิตเม็ดเลืดขาวที่อยู่ลึกลงไปใต้ชั้นผิวของผนังลําไส้ที่เรียกว่าเพเยอร์แพช จะปลดปล่อยเม็ดเลือขาวชนิดมาโคเฟสที่มีเป้ารับหรือรีเซพเตอร์ที่เข้ากันได้ดีกับสารเบต้ากรูแคนซึ่งเป็นเสมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจมาโคเฟสจึงจับสารเบต้ากรูแคนได้แม่นยำและกลืนกินสารเบต้ากรูแคนแล้วปล่อยน้ำย่อยภายในของมันออกมาซึ่งเรียกว่าเอนโดโซมออกมาย่อยสลายสารเบต้ากรูแคนโดยตัดออกเป็นชิ้นสั้ น, นหรือแฟกเมอร์เล็ก ซึ่งชิ้นส่วนของเบต้าก uh ูแคนเหล่านี้จะถูกเม็เดเลือดขาวมาโครเฟชดังกล่าวนาพากลับไปที่ไขกระดูกข้างต้นอันเป็นที่ตั้งของกลุ่มเซลล์ที่ทําหน้าที่ผลิตเซลล์ต้นกาเนิดหรือสเต็มเซลล์สารเบต้ากูแคนจากมาโครเฟชจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตสเต็มเซลล์ออกม า, มากขึ้นสเต็มเซลล์ที่เกิดขึ้นก็จะไหลกลับไป ก, ก็จะไหลไปยังกระแสเลือดหมุนเวียนให้มีปริมาณมากขึ้น ในกรณีที่เกิดความสึกหรอเสียหายอักเสบหรือเซลล์ที่ไม่ทำงานที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายสเต็มเซลล์จะไปเกาะติดหรือโฮมิงกับเนื้อเยื่อที่สึกหรอเสียหายและไม่ทำงานแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือที่เรียกว่าดิฟเฟเรนเชียตไปเป็นเซลล์ที่มันไปเกาะได้แทบทุกชนิดในทุกอวัยวะตั้งแต่ผิวหนังไปจนถึงเซลล์ประสาท การแพทย์สเตมเซลล์ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่ใช่การให้สารสกัดหรือยาไปทำงานแบบชดเชยให้กับการทำงานที่บกพร่องของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายแต่จะเป็นการเพิ่มเซลล์สำรองหรือหน่วยซ่อมแซมที่คอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและไม่ทำงานของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่งก่อนจบบทความในวันนี้ ผมขออัญเชิญพระราชนิพล์ในสมเด็จพระเทพพรรตนราชสุดามาอ่านให้ท่านได้ฟังเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยดังนี้สมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมาควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไปเป็นมรดกของชาติควรรักษา วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัยรู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพรเพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาลสวัสดีครับช่วงเรื่องนอารู้ก็บสมุนไพรทาวต่องโดยเพสัจักรกอุดมรินคำ